ครับครับสวัสดีครับพอที่หนูอยากสอบถาม่มนเป็นโรคสกเก็ดเงินน้อถเป็นมาประมาณปีสองปีเราไปหาหมอที่เขาบอกว่าเป็นเก็ดเงินแต่รักษาก็ไม่หายทุกตัยามหมดมเป็นเช่นนัอยู่เรื่อาอยากหายนะก็อย่างที่หมอบอกนะก็ถูกแล้วล่ะเพราะว่าสะเก็ดเงินมันไม่มียาก็เป็นให้หายนะครับ ทีได้ไงขาดเลยไม่มีเมีความอยากไม่ไม่ไม่มีฮะแต่ว่าคืออย่างเงี้ยคือถ้าเราสามารถที่จะหยุดเม็ดเลือดขาวได้ยับยั้งเม็ดเลือดขาวได้แล้วเสร็จแล้วเราไปดูแลในเรื่องของการพักผ่อนความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าดื่มอยู่ไหมถ้าดื่มก็เลิกดืม่มจ้ อ่าพ อ, อ ไ, ม ไ, ไม่ได้ไม่ได้ดื่มแล้วค่ะครับครับถ้าไม่ได้ดื่มนี่ก็คือการพักผ่อนความเครียดมี่ไหมอันนี้เราเสริมการรักษานะเพราะพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้กับโรคเนี้ยได้ฟื้นกลับมาถ้าเกิดว่าเราดูแลพวกนี้ได้เนี่ยคือถ้ามันหายแล้วมันก็หายเลย มันจะไม่ขึ้นมาอีกเพราะเราดูแลตรงนั้นถ้านอนนอนดึกอยู่แล้วเขาเราก็เลือนงานเลื่นสีขคืออย่างเงี้ยแล้วมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปรับเม็ดเลือดขาวเพราะว่าตอนนี้เม็ดเลือดขาวมันมากินผิวหนังทำให้ผิวหนังเกิดเป็นขุยขึ้นมาทีนี้เราต้องการหยดุดไอเม็ดเลือดขาวนะไม่ให้มากินผิวหนังเรา ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอสามารถที่จะหยุดเม็ดเลือดขาวได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะมันไม่ใช่ยาอ่าอันนี้ต้องทําใจนิดหนึ่งทําำแต่ว่าก็ดีอรอกถ้าเรากินเนี่ยมันจะดูแลสุขภาพโดยรวมของเราหมดเลยมันไม่ได้ว่าเสียหายอะไรเลยคือเรากินแล้วมันดีต่อสุขภาพของเราถ้าเรากินตัวนี้อยู่ตลอดถึงแม้ว่าเรานอนดึกมันก็ยังช่วยได้นะแต่ทีนี้ตะเกียบยันนี้ก็จะหายไหมคะถ้าเราดื่มตัวนี้ใช่ไหมคะลหายเลยถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเขาไปรักษายที่เหนือเขาหยุด เขาให้หยุดยาหมดเลยนะแต่รักษาด้วยสบู่เขาบอกว่ามันเป็นกรรมของแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันแต่เนี่ยพอสบู่หมดมันก็ขึ้นมาอีกเหมือนเดิมแต่ตอนที่เขาใช้อยู่มันก็หายไปไม่มีคำไม่มีอะไรไม่มีตามตัวตามหัวอะไรก็ไม่มีเลยคหายปิดเหมือนปิดทิ้งเลยนะแต่ทีนี้พอสบู่หมดมันก็ขึ้นมาอีกเหมือนเดิมใช่ใยาที่สามารถกระตุ้นแล้วก็ดับยังไม่เลือดขาวได้เนี่ยมีเฉพาะสเตียรอยนะไอ้สบู่ที่ใช้อยู่อ่ะมันก็คือสเตียรอย พอสเตียรอยออกฤทธิโลกมันก็หายพอสเตียรอยหมดฤทธิ์มันก็ขึ้นมาใหม่คําว่าสเตียรอยเนี่ย<อ>คุณสมบัติของมันคือยับยั้งเม็ดเลือดขาว<อ>คือยับยั้งแล้วก็หยุดเลยนะไม่ใช่ว่ายับ<อ>ยั้งแล้วเม็ดเลือดขาวยังทํางานได้นะคือหยุดเ<อ>ม็ดเลือดขาวเลยพืชสมุนไพรหลายตัวออกฤทธิ์คล้ายกับสเตียรอยค<อ>คือมีฤทธิ์ในการกดแล้วก็หยุดเม็ดเลือดขาวเลยไอ้ถามว่าทําไมอ่ะมันถึงไม่ดีก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวมันต้องทํางาน ถึงมันจะกินเนื้อหนังเราแต่มันก็ไม่ยอมให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเรานะอถึงเราจะคันแต่ว่าเราไม่ติดเชื้อนะอคือมันก็แค่คันน่ะแต่ว่าร่างกายเรายังไม่ติดเชื้อเพราะภูมิคุ้มกันยังทํางานอยู่คือถ้าเกิดว่าไปหยุดมันแล้วไงอ่ะโอกาสที่เราเจะติดเชื้อก็มีเยอะนี่แหละหมอถึงบอกว่าถ้าเป็นสเตียรอยหรือยาที่กดภูมินะ่ะมันอันตรายเขาไม่อยากให้ไปหาซื้อยากินเองก็เพราะอย่างนี้ ยาที่กินนั่นคือไปเอาตามที่คลินิกค่ะหมอรักษาผิวหนังคลินิกค่ะค่ะที่เขาบอกว่าเป็นสะเก็ดเงินนะคะอืมอืมอืมแต่ทีเนี้ยบอกว่าการรักษามันก็ไม่หายแต่ต้องรักษาต่อเนื่องมันก็เวลายาหมดมันก็เปลี่ยนขึ้นใหม่อบบเดิมแต่เสี้ยเขาก็จังคายก็มีแค่ยาบรรเทาไงคือในในหมอนั่นก็ก็จะมีแค่ยาบรรเทาค่ะแล้วแต่แต่ถ้าที่ตัวโฆษณาอยู่นี่มันจะหายไหมค่ ะ, คะ อ ย, อย่างถึงระยะหนึ่งอ่ะมันก็จะหายเราก็ไม่ได้เสี่ยงกับการติดเชื้อเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้มันไม่ได้หยุดเม็ดเลือดขาวเลยคือไม็ดเลือดขาวยังทํางานได้ตามปกติแต่เพียงแต่ว่ามันจะสอนให้เม็ดเลือดขาวรู้จักว่านี่นะเป็นเซลล์ของร่างกายนะเป็นผิวหนังของร่างกายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอย่าไปทำลายคือมันจะทําความเข้าใจกับเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวก็ <difficulty. S 1> ทํางานได้ตามปกติไอ้โรคพอพอเม็ดเลือดขาวได้ทํางานได้ตามปกติโลกนี้มันก็จบแล้ว พอดีที่เดียวตามคิมเองเอาพอดีเขาให้ยากแก้แพ้แล้วก็ยาวิตามินมาแล้วก็ย า, า, า, ยาเป็นเอคิมทานหนูก็เลยว่าเขา<ช> <ๆ S 1> เขากินมากๆแล้วกลัวเป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยใส่ยาแก้แพ้ใช่ๆๆใชค่ะหนูก็เลยยายเขาหยุดพอเขามามีคนมาโฆษณาสบู่คุณใช้ไ<ช> <ๆ S 2> ปห่มเดียวกับโลชั่นอ่ะที่เป็นผ ล, ลไม้เขาใช้เกี่ยวกับผ ล, ลไม้อะทํำมาๆๆแต่เขาบอกว่ามัน มันจะเป็นเหมือนกั่เราทำบุญเขาบอกว่ากรรมแต่ละคนมันมาไม่เหมือนกันเขาบอกชุดโลกนี้ยเขาเรียกว่าโลกพันธุกรรมคือมีเชื้อสายเป็นอ่ะมันก็จะเป็นได้ตัวนี้ก็ปลูกเท่าไหร่อ่ะคะตัวนี้ขวดหนึ่งหกสิแคปซูลทานได้หนึ่งเดือนทานแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทรวมค่าส่งถึงบ้านกินหนึ่งเดือนครับแต่ถ้าเป็นชุดก็สี่ขวดห้าพันแปดร้อยหสิบาทตัละพันสฮะก็สูงอยู่เหมือนกันนะแต่ผมว่า อาหารเสริมในเมืองไทยมันก็พันคัวบาทเนี่ยมันก็มันก็อยู่ประมาณนี้แหละถามว่าแตกต่างจากเขาไห ม, มก็ไม่แตกต่างแต่เนี้เขาก็ไปหาหมอเนี่ยที่นรไปหาหมออย<ช>ู่เนี่ยมันก็จะเข้าหลักหมื่นแล้วค่ะใช่ หมอหมอก็ฉีดยามาทีละเดือนกว่าเดือน ก, กว่านี่ตัวสองพันสองพันพอหมดยาพุกปือขึ้นใหม่พอหมดยาพุกมขึ้นให่ที่ได้หนูเห็นเขา ก, กินมากแล้วก็กวัวเป็นไตายยาก็เลย <c ười> อม่ไม่ว่าจะเป็นยาหมอก็ดียาสมุนไพรหรือยาอะไรอ่ะที่ซื้อมากินอะ่ะ <c ười> <c ười> ก็ต้องระวัง คืออย่างนี้อย่างที่ผมบอกว่าสเตียรอยเท่านั้นที่จะเอาเม็ดอดขาวอยู่คืออย่างที่คุณได้รับจากหมอเนี่ยหมอเนี่ยเขาจะดูว่ามันอันตรายแค่ไหนในการที่จะใช้สเตียรอยเขาอาจจะใส่สเตียรอยน้อยไปหน่อยไปหน่อยเพราะว่าถือว่ามันอันตรายแต่อย่างสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นโลชั่นเป็นบู่อะไรที่คุณใช้เนี่ยคือเขาใส่เต็มที่ใส่เต็มที่เนี่ยคือคุณใช้เข้าไปปุ๊บคุณต้องหายปั๊บคุณต้องชมว่าเขาดีเลิศแน่นอน แต่กับคนหมอเนี่ยหมอเขาร ะ, ะ, ะลึกถึงความปลอดภัยเขาไม่ได้ใส่เต็มที่เขาใส่พอประมาณมันก็ถึงสุดยอดสู้กับสมุนไพรไม่ได้ไงแต่ว่าอันตรายที่สุดก็คือสมุนไพรนี่แหละไม่ใช่ยาหมอแต่ของเราเนี่ยไม่มีสเตียรอย